ต่อจาก 5 นี้คืออวิชชา 5 มีนาคม 2547 เนื่องใน 28ณพุทธสถานสาลี นี้วันนี้เป็นวันมาฆบูชา <c oughs> คุณของพระพุทธศาสนาก็คงจะควรหรือว่าคงจะต้องทําอะไรสักอย่างประโยชน์คุณ โดยเฉพาะคนจะต้องตระลึกถึงคําสอนตระลึกถึงสิ่งที่ เจริญขึ้นละสิ่งที่ไม่ควรอ่าแล้วก็ทําหรืออธิษฐานเออคือกําชับกําชับแล้วว่าตั้งการตั้ง ตั้งใจจะเอาคนนี้มันให้ตายอะไรเป็นต้นอย่าง มากน้อยก็ตามแต่เราจะมีสมาธิทิหรือเรามีความ ผู้ที่มีสมาธิฐิดีถูกต้องภาคเพียรดีผลนาก็เกิดมาแล้ว จริงๆเป็นเช่นนั้นเยอะแต่ชีวิตไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นเราควรจะต้องตั้งติดตั้ง ก็สามารถบรรลุอรหันต์ 38 หน้าทวนตอนท้ายหน้าสรุปว่าโลกีย์คือความเป็นไปของโลกหรือ ที่ไม่เป็นธาตุลาภธาตุลาภย่อมส่งเสริมโลกิยสุขแท้จริงนะนั่น โทษจริงเค้าเรียกจิตโง่เค้าเรียกโง่ความโง่นะก็ฟังไปว่าจะโง่อย่าง จิตเสื่อมเพราะเป็นจิตที่ไม่เจริญจริงแท้หมายถึงจิตที่อวิชชานั้นแน่ จิตของคนที่โง่ๆซื่อๆบริสุทธิ์สุจริตแล้วก็ถูกคนในโลกเอาเปรียบเอา จิตอย่างนี้ไม่ชื่อว่าอวิชชาน่ะเขาไม่ทัน 3 ที่เรากล่าวไว้ ก็เมเรียกว่ามีวิชชานะฟังดีๆนะ 6 อ่าไม่มีอำนาจอยู่เหนือ 6 ของตนจึงตกเป็นทาสโลกธรรมไม่รู้เท่าทันนั้นๆตกๆ เดี๋ยวค่อยไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวค่อยขยายความนะผู้ฉลาดแต่อวิชชานะผู้ฉลาดนะแต่ขึ้นดังนั้นจิต จิตที่ยิ่งฉลาดปราดเปรื่องด้วยซ้ําเพราะ แต่อวิชชาอะวิชชาคือจิตที่ไม่รู้ตัวเองคนแถมหลงผิดชนิดที่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวกลับ ในสังคมในสังคมจึงเกิดคนที่เสื่อมหรือ น่ะในกัมมายคำพูดความถูกต้องในสัจจะยากขึ้นไปทุกที อ่าโปรดติดตามฉบับหน้าอะไรอย่างเงี้ยอะไรคล้ายๆกันนั่นน่ะอ่ากําลังเข้า ยังคงมีการเอาเปรียบหรือได้เปรียบ หรือเสียสละให้แก่สังคมอย่างเจตนาและหรือศัพท์เฉกะหรือเฉโกนะก็เฉกตานะเป็นเฉกะเนี่ย ตัวคนในโลกนี้เฉกะกันทั้งนั้นหรือเฉโกกันทั้งนั้นคือ เป็นการอ่า สพ. เป็นการปะเลาะคนไปกลัวคนอื่น มันแปลว่าฉลาดบ้าเข้ามาฉลาดเหมือนกันปัญญานั่นคือฉลาดที่มีวิชชาส่วนเจโกนั้นฉลาดที่คือเชกะหรือ ยังมีกิเลสแฝงในจิตอยู่เพราะตัวฉลาด สร้างแบบใช้ปัญญาคัดเลือกวงเล็บปิดด้วยอารียภูมินะคือไม่สร้างสรรด้วย ง่ายงามอุดมสมบูรณ์หรือถึงสันติภาพได้เพราะวิธีคิดหรืออุดมการณ์ยังเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เพราะ ก็ยิ่งทําให้โลกนี้ยิ่งไร้สันติภาพนี่ไม่ใช่ใส่ความอาตมาว่าอาตมา เมืองไทยก็พยายามอยู่ไทยก็พยายามอยู่และเมืองไทยก็อุดหนุนอยู่ในระดับมัธยมในระดับเอ่อมหาวิทยาลัยก็อุดหนุนส่วนหนึ่งยังไม่อุดหนุนทั้งหมดยังไม่ เสื่อมยิ่งเสียยิ่งยิ่งแร้งยิ่งไร้เสียเน่าเหม็นทําลายเป็นพิษเกิดทุก ฉลาดฟังดีอวิชชานะฟังดีๆแล้วจะค่อยๆเข้าใจคําว่าอวิชชาโง่ที่จริงอวิชชานี่คนยิ่งฉลาดโง่หรือว่า <นะ. S 1> จึงรู้มากยิ่งฉันเชี่ยวเลวฉลาดยิ่งอภิชานะอ้าวๆว่าไปเรื่อยๆมาถึงบรรทัด อาจจะยากพอสมควรตั้งใจอ่านขึ้นอีกสักนิดกันสภาวะเช่นนี้มีอยู่หลาย เป็นต้นต้นอัตตาหมายถึงสภาวะที่จิตคนหลงหยิบเอาอะไรอุปาทานนั่นแหละอุปาทาน สภาวะที่จิตคนหลงหยิบเอาอะไรสิ่งใดสิ่งเช่นยึดเอากามมาเป็นตัว กิริยศีละปัตตุปาทานยึดเอาแค่คําพูดว่าเป็นตัวตนก็เรียกว่าอัตตวา อาการในจิตอย่างนี้แหละชื่อว่าอัตตาที่หรือเป็น เรียกว่าเป็นเราก็ได้เป็นตัวตนเรียกว่าเป็นเรานี่ขยายความขึ้นมาเป็นภาษาไทยเราก็จะเข้าใจ ไอ้อาการยึดเนี่ยเราอธิบายขยายความตรงนี้หน่อยคนที่ไม่มีปัญญาไม่มีวิชชาหรือ ยึดไว้โดยที่มันไม่บอกไม่กล่าวแต่มันมันเป็นความจริงมันเป็นอย่างนั้นก็ กวลิงคาราหานกวลิงคาราหานกวลิงลิงตัวนั้นใช้ลอจุฬาก็ได้ลอลิงก็ได้อ่าแต่โอลาริกกะอัตตาเนี่ยโอลาลานี่ใช้ลอจุฬานะแปลว่าใหญ่หยาบโอโอลาเนื้อ ถ้าจะให้ใหญ่กว่านั้นอีกอภิมหาโอฬารก็ได้ก็อภิมันก็ยิ่งใหญ่ เออจริงๆมันก็กามเป็นตัวหลักมันยึดเอามาติดยึดเป็นกิเลสจริงๆเลยนะส่วนจะไปยึดเป็นทิฏฐุปาทาน ยึดหลงเข้ามาจนกระทั่งมันเป็นอุปทานแล้วแล้วมันก็มาเป็นกามมาเป็นความอยากใคร่ให้มาได้บำเริญตนได้บำเริญตนอริเสพสมใน จิตไปจิตเอาไว้ข้างในอ่าเพราะงั้นคนที่ไม่ได้เรียนธรรมะนี่ทุกคนน่ะไม่ไม่เล็กมาอยากได้ตุ๊กตา ก็อยากได้มันก็สอนกันแนะนําก็เป็นของตัวของตนเด็กๆเนี่ยยึดยึดเป็นของเรานี่ตุ๊กตา แล้วแต่จะไปหลงอะไรก็แล้วแต่ทุกงอมเมาถูกครอบงําเป็นของเล่นระดับสูงขึ้นหรือของจริงก็ตามสอน อย่าห่วงแหนให้ใครเนี่ยรุ่นๆแล้วจะเป็นอวิชชาเป็น แต่ก็ไปแปลแม้แต่ที่สุดจิตตธรรมวิกตประโยชน์ไปแปลอรขะสัมปทาว่าสะสมเก็บหอมรอมริบอ่าเก็บ ที่จริงไม่ได้ฉลาดปัญญาเลยฉลาดเชโกแต่ก็เอา น่ะสะสมไปเงินทองของเราบ้านเนี่ยถ้ามันแบกก็เนี่ยและยึดไว้ <c oughs> ไทยให้ตายก็ไม่หมดเพราะเนี่ยเป็นลักษณะที่โล H2O จุดนึง คุณจะร้อนด้วยไหมจะร้อนด้วยมั้ยเออตัวเองอยู่ก็ร้อนไปด้วยสังคมร้อนคุณก็อยู่ในสังคม แต่ละคนที่อภิปรายโลกมันร้อนมันเดือดร้อนทุกวันนี้ไม่เพราะ การเรียนทุกวันนี้พยายามเป็นปราดทุกวันนี้พยายามที่จะเป็นอัศจรรย์อะไรทุกๆต่างๆเก่งสารพัดอะไรต่างๆอัศจริยะเป็นเด็กประเสริฐโอ้โหๆ สำคัญอ่ะขอขออภัยขออภัยมันมันพูดเร็วไปมันสลับปิชชาอวิชชานี่ทําให้มันร้ายทําให้สังคม ไม่ต้องมีก็ได้มีก็ได้นี่เพราะอวิชชาสรุปง่ายๆก็คือมันไม่รู้จักกิเลสตัวและก็ไม่ เมื่อต่อปัญหานี้พูดไปบ้างแล้วต่อปัญหาอวิชชา 8 นั่นเป็นเดฟนิชั่นของพระพุทธเจ้าในพระตปิฎกเล่ม 13 34 35 อาตมาจําข้อ 34 35 2 เล่มมีทั้ง 2 เล่ม ไม่รู้ในทุกข์อวิชชาข้อหนึ่ง 2 ไม่รู้ในสมุทัยไม่รู้ในเหตุของทุกข์ 3 ไม่รู้นิโรธไม่รู้ความดับดับ ถ้าอริยะแล้วนี่จะมีทั้งอริยะจะมีทั้งอารยะในตัวอริยะเนี่ยมีทั้งคุณธรรมของอริยะมีทั้งคุณธรรมของอารยะที่โลกหมายที่โลกต้องการด้วย <ads> 4 ไม่รู้ทางปฏิบัตินะ 3 ไม่รู้จักนิโรธ 4 ไม่รู้ทาง นะ 3 ไม่รู้จักนิโรธ 4 ไม่รู้ทางปฏิบัติไปสู่ 7 ไม่รู้ อดีตกับอนาคตมันจะต้องมีความเกี่ยวเนื่องกันโดดๆโดดๆเพราะฉันโดดๆต้องรู้ความสัมพันธ์ความเกี่ยวข้อง 8 ไม่ อิทัปปัจยตาหรือไม่รู้เพราะเหตุนี้อิทัปปัจยตาหรือปติดสัมปบาท 8 นี่คืออวิชชามีการจํากัดความนะทุกวันนี้เข้าใจอวิชชา สุจราดก็ตามจะฉลาดด้วยอะไรรอบโลกมีปัญญารู้ทางความรู้ทางโลกความรู้ทางโลกีย์ฉลาด ให้เป็นคนดีแต่ก็ทําความสันติภาพไม่เคยได้หรอกทําๆมันไม่ละเอียดลึกซึ้งจน นัสตะดโมคโรศาสนาบางศาสนาทําให้มีๆแล้วนี่ยากนะ เออตรงนั้นน่ะเป็นจุดแรกที่จะทํานี่แล้วแก้ความเห็นแก่ตัวนี่ไม่ได้หมดจริงๆเลยนะไม่มีสันติภาพแท้ไม่ มันเหมือนความรัก 10 มิติที่อาตมาขยายผลขยายให้เห็นน่ะ อะไรนี้เป็นต้นอาตมาขยายความฟังไปศึกษาความลึกซึมมิติแล้วนี่อาตมาอธิบายในแนวย้อนแนว เข้าใจมั้ยว่ามันมีความละเอียดกว้างขวาง Globalization ด้วยที่ จบจบดอกเตอร์วิชานี้มาวิชาวิชารู้จักคือฟ้าบอกกันรู้หมดทั่วๆแล้วเนี่ยมันมัน อาตมาๆอาตมามั่นใจนะในระยะ 500 ปีข้างหน้า 500 ปีนี้เป็นตัวเลขประมาณจนกว่าอาตมาจะตายอาตมาคงต้องพูด 500 ปีนี้ไปบางคนคงบอกโอ้โหพูดมาหลายปีมาแล้วมันคงจะเหลือ 400 99 อะไร 498 มั้งแต่ 500, 49 49 500 อยู่เรื่อยเลยเพราะท่านน่ะมันเป็นตัวเลขประมาณนะ ต่อไปมันจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันไม่ไม่ถึง 100 หรอกอาตมาคง 256 ปีเหมือนอะไรนะลียุนชุงโอลีลียุงชุนลีชุนปีลี ชุดยุงไม่ใช่ยุงอาตมาฮะชุงยุงอ่าไม่ 256 ปีอาตมาคงไม่ถึงแน่ๆยังไงก็ไม่ถึงนี่จะกระเสือกกระสนให้มันยาวนานหน่อยมันรู้ไม่จะให้ได้ตั้ง ผู้คนเอาใจช่วยก็ขอบคุณทุกคนนะจริงๆแล้วใครอยากให้พระพุทธเจ้าอายุ 80 ศิณประชล เพราะงั้นในความเป็นตัวเห็นแก่ตัวและของของตนโอราลิกะอัตตานี่มันยึดโลกก็พูดให้ครบซะบางคนไม่รู้โอราลิกะอัตตามโนมยอัตตาอรูปอัตตามันมีอัตตา 3 3 อย่างนะอาตมาก็จําเล่มอย 9 หรือเล่ม 10 นะนี่สูตรยาวนะเป็นพวกสูตรไม่ใช่สูตรสั้นที่ฉนตรัสถึงเอ่ออัตตปติลาโภถึงการได้อัตตามาเนี่ยมันเป็นการ นะมีการได้ 3 อย่างซึ่งไม่มี 9 ข้อ 302 งั้นเอออยู่ในนี้มีใช่มั้ยมีอย่างนี้ มันก็เป็นภาระแล้วเราก็หลงมันยึดเอาความเชื่อๆแล้วเราก็ นี่ความเห็นของเราความเห็นของเราเอ่อเอ่อนี่เป็นเอ่อสรุปแล้วเป็นสักศรีของเราไม่รู้มันอย 8 อยู่ 34 ข้อ 691 และ เล่ม 35 ข้อ 926 อ่ามีคนจดมาให้ด้วยอยู่ใน เพราะอนาคตเป็นสิ่งที่ยังมาไม่จริงๆอดีตไม่มีใครอกเอาไปอนาคต แต่ต้องรู้รู้จริงๆรู้อย่างแม่นด้วยจึงจะไม่ผิดพลาดถ้ารู้ไม่แม่น <laughs> คือบันไดมันไม่รู้ความจริงพอสมควรขึ้นไปหน่อยแล้วก็คอยบันไดหน่อยไม่ไม่เอานะก็รู้ไม่เอาเพราะคุณไม่ <c oughs> <c oughs> พอเรื่องสําคัญเหมือนกันมันเรื่องที่ต้องเข้าใจดีถ้าเข้าใจไม่ดีไม่ได้มันจะรู้ เห็นตัวเป็นตนตัวเป็นตนเห็นเป็นตัวเป็นตนเราเลยเห็นรูปมันทั้งนั้นไม่มีรูปเลยไม่มีอนันต์ปั้นได้นะนี่ ถ้าเข้าใจสัจธรรมของพุทธเจ้าแล้วจะเข้าใจหมดอะไรที่หลงวุ่นวายเพ้อพกอะไรแต่ใดอยู่ในโลกเนี้ยสารพัดยึดมั่นถือมัน อ่าอยู่ในภพปริเห็นต้องมีจิตสมาธิมีเยอะพวกเนี้ยมโนมยตาเนี่ยคนเห็นมีหมดเราได้ยินได้ฟังคุยกันทําอยู่ในโรงพยาบาลบ้า กลายเป็นคนเสียสติไปนะนะหลังสะอินโนฟีนะส่วนอรูปอัตตานั้นก็บอกไปแล้วเมื่อกี้นี้ไปยึดอนามธรรมยึดความรู้ นั่นนี่คือลักษณะของอัตตา 3 นะอ้าวล่ะเดี๋ยวก็อธิบายไปแล้วมันก็จะค่อยๆไปในเรื่องนี้ไปเรื่อยๆนะอ้าวๆตอนนี้ สัจจะที่สมมุติหรือสมมตก็เรียกสมมตสมมติหรือคนปุถุชนรู้เหมือนกัน ไปรู้จักสิ่งที่ละเอียดสิ่งลึกที่เกิดมาแต่จิตในจิตและเป็นสิ่งที่ปลอมแปลงอยู่ในจิตคือนั่นแหละนะแล้วหรือเกิดเป็นสิ่งที่มีจริงตามสมมุตินะสมมุติสัจจะก็คือสิ่งที่มีมีสิ่ง ตามที่สมมุติกันที่ต่างกันรับรู้กันอ่าเอาอย่างงี้ๆเลยเหมือน อร่อยจริงๆนะกินที่ไรมันก็อร่อยทุกทีเลยทําไมจริงๆเลยนะกิเลสหมดจริงๆเลย ไอ้อร่อยนะมันไม่ไม่มีมันหายไปจริงๆผู้หญิงเนี่ยเค้าสมมุติว่าสวยคุณติดๆเลยมันๆน่ะแต่ก่อนนี้โอ้โหอย่างนี้ขนาดนี้อย่าง เขาบอกบางกิ้งแรกมาจากแคตตาล็อกเลยนะบอสวยฉันสวยแล้วจริงๆแล้วมันม่อยสีแดงสวยๆแดงเนี่ยนะมันต้องๆเลยเพราะๆมันบ้าๆมันโง่อะไรขนาดๆมันโง่ๆ นะน่ะมันอร่อยมันอร่อยก็รสชาติเข้าทางๆถูกหรองมางั้นธรรมขนาดนี้แล้วกับพวกเราชาวอโศกแต่ก่อนๆมันไม่จริงๆในอย่างนี้ใส่ไม่ตายธุเรทตัว มันไม่เป็นอะไรไอ้ที่รู้สึกสวยรู้สึกเป็นรสชาติแต่ก่อนนี่อันนั้นน่ะเป็นรสชาติชื่นใจๆเดี๋ยวนี้มันจืดชืดบางคนอาจจะสนิทเลยอร่อยอร่อยจริงๆกินพริก กินได้เผ็ดๆเดี๋ยวนี้โอ้โหๆเลยก็พยายามกินอยู่บ้างนะเพราะว่า สวยก็แดงนั่นก็แดงนี่ก็เขียวนั่นก็เหลืองนั่นรูปร่างอย่างงอนี่เว้าอย่างงุ่นแหว่งอย่างงี้ไอ้นี่คอบัวนี่คอกระเช้า มันมันหลอกได้มันก็ขยันหลอกใช่มั้ยมันแล้วมันได้เงินด้วยมันก็หลอกใหญ่มันต่อนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ นี่เป็นสัจจะจริงๆมันเหมือนจริงแต่มันก็รู้ทั่วกันธรรมะมีปรมัตถสัจจะคุณรู้จักสัจจะที่จริงเนื้อชั้นนี่แล้วล้างได้จริง อะไรก็ไม่เหลือก็ไม่เหลืออ่าสิ่งที่เป็นที่มีอันคนผู้นั้น ว่าศาสนาพุทธเท่านั้นมีศาสตร์มีปรมัตถสัจจะพอเรียนรู้ถึงสัจจะอันนี้จริงเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตยืนยันท้าทายให้พิสูจน์ได้เป็นเอหิปัสสิโกๆหายตัวได้ว่างจบดับสนิทได้อัจสาธะ rot loki เนี่ยถ่ายได้พิสูจน์ได้นะไม่ใช่เป็นเรื่องเพ้อพกไม่ใช่เป็นเรื่องที่ฟังคิด ในวงเล็บสมมุติสัจจะคือความจริงๆในจิตให้ๆในจิตจนเป็นความ หรืออาจเรียกว่าอัตตาเป็นคํากลางๆอัตตาตัวตนกลางๆอ่าจิตเป็นตัวมันเกิดใน คือมิจฉาทิฏฐิเพราะได้ยินได้ฟังแค่คําพูดว่าตัวตนหรือเรียกว่าตาทําเค้าก็จะดีๆนะอันเนี้ยก็ยึดมั่นถือมั่นอุปาทานะ ที่อธิบายเรื่องตัวตนเท่านั้นเนี่ยแจ้งครั้นได้เรียนรู้จนเข้า เช่นเมื่อเข้าใจอย่างซาบซึ้งละเอียดละออ ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนสัพเพๆก็ไม่ๆนั้นตนเองตนหรือไม่อะไรบ้างผู้ๆใน เพียงได้รู้ได้แจ่มแจ้งแต่แค่คําพูดแค่จากคําพูดคือวาทะศึกษา จัดอยู่ในลัทธิไม่มี อนอมยะอัตตาหรืออรูปอัตตาของตนที่แท้ ปัตตานุอนุแปลว่าตามทิฏฐิแปลว่าเห็นตามเห็นแต่นี่เห็นไอ้ อุปติเกิดความเห็นความเข้าใจในญาณที่ชื่อว่าอัตตวาทุปาทานซึ่งแปลว่ายึดมั่นๆเลยถูก พอฉันผู้ไม่มีอะไรเข้าใจงมเหมือนสิไปตัวแล้วทุกอย่างไปยึดอะไร <void. S 1> ของจริงที่คุณยึดด้วยอุปทานคุณยึดด้วยอวิชชาเนี่ยนั่นแหละเป็นของจริงเป็นสมมุติสัจจะมัน แบบอนัตตาแต่ถ้าแค่เข้าใจว่ามันไม่ๆเลยแม้ที่เป็น หากใครที่มีความเห็นว่ามีตัวตนอันจะต้องศึกษาๆก็ตามก็ถือว่าผู้นั้น แล้วก็ปายกันน่ะก็เลยไม่ได้เรียนรู้ถึงปรมัตถ์ แล้วมันรวงคนนะคนที่เฉลียวฉลาดปฏิภาณศึกษาอะไรโอ้โหสายทั้งโน้นด้านโน้นจริงๆเลยเหตุผลโยอาตมาเนี่ยไม่ เดี๋ยวนี่ก็ยังมีเยอะอยู่แม้แต่ในอ่านักวิชาการพวกนักวิชาการในส่วนมากเค้าเชื่อในความรู้เชื่อในปัญญาอันฉลาดเชื่อในความเข้าใจไม่ ชนะอ่าเก่งนะอัตตวาทุปทานนี้มีนัยยะสําคัญขออธิบายแทรกตรงนี้นิดนึงอัตตวาทุปทานนี้ lambda ก็เกิดอัตตวาทุปาทานแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไปแล้วว่านิรัตินิรัตติทิฏฐิแต่ในยุคพระพุทธเจ้ายังไม่มีมากยังไม่คนมีคนมิจฉาทิฏฐิแบบนี้เยอะ แต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสอัตตวาทุปาทานขึ้นมา คุณยังไม่ได้ยินที่ไหนในโลกที่เขาอธิบายสิ่งอย่างนี้นะศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นเพราะพระพุทธเจ้าประกาศศาสนาอย่างอเทวนิยมเพราะศาสนาอาตมันปรมัตตมันศาสนาเทวนิยมนั้นท่านต้องกล่าวอย่าง องค์อาจจังสําคัญเพราะงั้นโดนตายหมดก็มันเทวะนิยมทั้งๆตายนะทุกคนพึ่งพระเจ้าพึ่ง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 เขาก็ไม่ปฏิบัติด้วยและไม่มีเพราะเป็นคําสั่งจบอย่าคิดต่อทุกอย่าง เพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครได้เข้าไปพิสูจน์เลยศาสนาเหล่านั้นจึง พระเจ้าทรงมาเกิดเพราะฉะนั้นห้ามแตะต้องห้ามลบลูห้ามวิจารณ์ห้ามละราบละล่วงสั่งยัง ศาสดาพุทธเจ้ายืนยันว่าท่านเป็นคนท่านไม่ใช่รูปพระ เพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าพระเจ้าพระ 3 ประการ 1 มีพระ 2 เป็นพระผู้สร้าง 3 เป็นจิต แต่เขาไม่เห็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์เพราะเขาศึกษาไม่ถึงจิต และยุคนี้ต้องอธิบายเพราะมันเยอะเหลือเกินอัตตวาทุปาทานอ่าทั้งเกี่ยวเนื่องด้วยเทวนิยมและ สอนว่าอัตตปติลาโพนี่มีไว้อัตตาโอราธิกะอัตตามโนวิยตาเนี่ยแล้วมันไม่รู้ง่ายนั้นน่ะสูตรโอ้นี่ 302 นี่ 45 นี่พอดี อัตตา 3 อย่างโอราธิกะอัตตาอ้าวจะข้อ 302 เนี่ยมีอยู่เล่มเดียวมีอยู่ที่เดียวแล้วก็ๆในพระบาลีในปฏิปิตกโอ้โหนี่ยอด น่ะไม่ใช่จะไปเข้าใจเป็นแค่นิรัตตาอยู่โอ้โหน่าสงสาร คนผู้ใดหากยังมีอุปาทานอยู่ก็ยังมีอัตตาเพราะอุปาทานเป็นสังกิเลสธรรมคือจิตมีกิเลสนะสังกิเลสธรรมก็คือจิต คือผู้ยึดถือว่าไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนทั้งนั้นและไม่ใส่จริงๆแล้ว กำจัดตัวตนกระทั่งตัวตนนั้นไม่มีอย่าง แต่แท้แท้ก็ไม่มีอะไรเลยนัตติกะว่าไม่มีไม่มีอะไรส่วนอนัตตาทีนี้ส่วนอนัตตานั้นจะไม่ใช่ยึดได้สามารถปฏิบัติจนรู้แจ้งเห็นจริงความจิตของตนหลงและสามารถปฏิบัติกําจัดตัวๆกระทั่ง ความไม่มีตัวตนอย่างหมดสิ้นได้ๆต่างกันนะนิรัตตากับและรู้แจ้งเห็นจริงด้วยวิปัสสนาญาณซึ่งเป็นญาณความรู้ยิ่งที่รู้ชนิดเห็นปรากฏการอันเป็นของ มีทั้งความมีตัวตนและความหมดตัวตนคือผู้นั้นจะรู้จักทั้งตัวตนเห็น 2 อย่างส่วนนั้นไม่มีตัวตนแต่ปาก นิรัตตาแต่ตัวเองหลงว่าตัวเองไม่มีตัวตนอ่าพวกนี้ ทั่วไปอย่างกลางๆเป็นสามาญนามนะเป็นคอมมอนนาวหรือคือคือสามาญนามซึ่งเรียกขานสัตว์ที่ชื่อว่า สาวก็คนอะไรอย่างงี้เป็นต้นเป็นคําเรียกบรรคนทั่วไปกลางๆเป็นคอมมอนนาว เพราะ 2 คำนี้คือ name น่ะที่เรียกขาลตัวตนแบบชี้มาอย่าง สักายะกับอัสสวะก็เรียกขานตัวตนแบบนี้แบบชี้ระบุเจาะจงไหนไม่รู้มั้นหัว สามาญนามมีสามาญนามไม่รู้จนดีถ้ารู้คือสภาพคำๆเป็น common หรือว่าเป็น generic name ก็เรียกมันไม่เฉพาะเราบางหรืออาสวะเนี่ย ชื่อตัวตนนี้คุณต้องมียานคุณฟังภาษาก็เข้าใจแต่ความหมายของภาษาเป็นตัวตนเฉพาะตัวตนนี้คุณต้องๆแล้วคุณที่มี สักายะตัวของตัวของเอตัวเองอัตตาของตัวเองตัวนั้นตัวไหนอ่ะคุณเป็นยึดแน่นี่อ่าสมบัติเรานี่ทองเรานี่เพชร อยู่ตรงนี้แหลบ้านก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้แหละบ้านเค้าจริงๆเงินทองนี่ก็ใช้อยู่เสียไปโดยก็ก็จะไม่เห่าหาอาวรอ่าโดยจะ เพราะถ้าคุณจับๆไปอัตตาตัวตนส่วนสกายะนั้นคือตัวนั้นแหละ แล้วคุณจะต้องลดละตัวเหลือน้อยจางๆจนดับได้มันจึงจะบรรลุสูง เป็นตัวคล้ายกันมีลักษณะตัวเดียวกันนั่นแหละแต่เรียก 2 ภาษาเรียกอนุสัยก็ได้เรียกอาสวะก็ได้ เป็นตัวพลังงานเป็นพลังงานจลพลังงานจลนะเป็นไดนามิกนะส่วน ก็แปลเป็นไทยอุตส่าห์แปลกันว่ามันนอนเนื้องนอนนิ่งนอนเนื้องนอนซึ่งงบเป็นสแตติกเป็นตัวเอ่อเอ่อไม่ใช่เอ่อตัวๆมาเรียกมัน ที่เป็นตัวสกายะตัวน้อยนี่แหละเพราะงั้นอาสวะคืออะไรก็ได้แต่ฟังอาสวะนี่ เพราะอัตตามันก็คือภาษากว้างๆภาษาเรียกไปก่อนๆไปเพราะอัตตา ไม่รู้ทางไม่รู้เพราะอาสวะมันเป็นเศษเหลือของสกายะคุณจับสกายะต่อ นะสักกายกกับอสวะก็ระเรียกฐานตัวตนแบบชี้ระบุเจาะจงซึ่งต่างกันกับ ตนได้อัตตานะอัตตปฏิลาโภตนได้อัตตาจะรู้ตัวไม่รู้ตัวก็ตามแล้วประเภทนะ 9 ข้อ 302 ได้ 1 โอราลิกะอัตตาหรืออัตตยาบคือตัวตนขั้นเช่น ยึดว่าเงินทองเป็นของเป็นเราเป็นของเราบ้านเป็นเราเป็นของเราที่ดินของเราลูก ตัวต้นที่เนรมิตหรือปั้นขึ้นจนตน จนสําเร็จเป็นรูปในใจแล้วก็หลงติดหลงยึดเอารูปนั้นเป็นจริงปั้นพระ ปั้นอะไรก็ตามเป็นรูปเป็นตัวตนออกมาให้เห็นได้ด้วยเช่นเห็นรูปอาจารย์ลอยอยู่บนท้องฟ้าเห็น นะอธิบายถ้าฟังไม่ดีก็สวยฟังลึกเข้าไปอีกฟังให้ดีนะถ้าฟังไม่ดีก็ซวยป่านนี้จะบอก เป็นเอ่อตัวเปรดเป็นแล้วแต่ว่าตัวเปรดเป็นรูปอย่างๆไปหมดอย่างอัน เค้าก็เห็นอย่างนั้นจริงๆเพราะเขาปั้นจนสําเร็จในจิตแล้วก็เชื่อตาม เทวดาของฝรั่งนี่จะมีปีกบางๆแล้วก็ถือไอ้ไม้มีดาวอะไรเนี่ยเทวดาลอยส่วน ก็เป็นรูปแบบนั้นน่ะแล้วเป็นๆแล้วมันมีจริงเพราะเค้าปั้นเค้าตายไปหรือไม่ตายเค้าจะระลึกเค้า แต่ความทุกข์ร้อนความลําบากของให 200 ให้ 500 แต่ 500 องศามีจริงอง 500 องศา จริงมีจริงเพราะนรกมีจริงสวรรค์มีจริงเป็น จึงพิสูจน์เกิดที่จิตวิญญาณจิตวิญญาณอยู่ที่ไหนจิตนรกนี้ให้ได้เพราะนรกสวรรค์ไม่ เพราะฉะนั้นจิตวิญญาณจะไปทุกข์หรือไปสวรรค์ไปนรกจะแตกกายแตกกายสัพ ตายทั้งร่างกายแล้วนรกสวรรค์จึงค่อยไปมีมันไม่ทันสมัยมันไม่ทันการไปพิสูจน์เอาเมื่อตายแล้ว เปรตผีชั่วร้ายเป็นซาตานอยู่ในร่างกายเรานี่นี่หลอดทดลองเทสติลเนี่ยมี ล้างเหตุที่มันไปเกิดนรกได้หมดมีแต่สวรรค์ที่วิเศษไม่ใช่สวรรค์เสพสุข ไปลงติดกันด้วยลงติดกันด้วยเพราะฉะนั้นสวรรค์อย่างนั้นมันจะมีหรือหมดด้วยเหตุปัจจัย เที่ยงแท้ฐาวรยั่งยืนไม่เป็นอื่นไปจากนี้ๆสวรรค์ นี่คือสวรรค์นี่คือนรกที่แท้จริงอาตมาเคยอธิบายให้ฟังเหมือนอย่างกับเรานอนหลับจิตวิญญาณเราฝันร้ายจิตวิญญาณเราฝันร้ายทุกข์โอย เกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายไอ้ตัวที่ได้พบในจิต ไม่มีใครช่วยมีที่จะช่วยให้คุณได้ช่วยนรกนั้นไม่มีใครที่จะช่วยคุณได้พระเจ้าอยู่ไหนก็จะช่วยไม่ได้ไม่มีกรรม ไอ้วิมานสุขสวรรค์นรกเหมือนกันเหตุปัจจัยหมดก็เลิกเพราะงั้นก็อย่างนี้แหละมึงนอนนี่แหละก็ไม่มีร่างกายแล้วก็มัน เหลือน้อยสมมุติว่ายังไม่เป็นอรหันต์เห็นแห่งทุกข์ๆคุณค่าเหตุมันจริงๆนี่ คุณได้ยินมานานว่าศาสนาพวกนี้เป็นว่ามันไม่วิทยาศาสตร์จริงๆมันพิสูจน์ได้อ่ะคุณมาพิสูจน์แล้วคุณลด อ่ะช่วยเค้าสร้างนรกก็ไม่ทันแต่ที่จริงมันหลอกว่าจะเป็นสวรรค์พิสูจน์ พอได้ บําเพ르 ก็ชั่วคราวๆๆก็ไม่ต้องอะไรนอกจากรับผิดชอบก็ไม่ต้องอะไรนอก อ่านี่เป็นนรกเป็นสวรรค์ที่พยายามที่ อัสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยปั่นพระเจ้าปั่นอะไรอาตมาเข้าใจครับแล้วอาตมามีเวลาไปเทศ นั่นเนี่ยพยายามเอาคําอธิบายจากในปฏปิฎกนะที่ท่านแปลไว้มาใส่ สัญญากำหนดว่าเอออย่างงี้ใช่อย่างงี้จริงอะไรนะว่าเป็นเราเช่นยึดความรู้ว่าเป็นเราเป็นของ เนี่ยความรู้มากจริงเค้ามีแล้วยึดเป็นตัวตนชนะจบอะไรมา ถึงแม้ว่าทําทีเป็นมีมารยาทนะโอ้โหสุภาพจะฟังก็ฟังไปงั้นน่ะเค้าไม่เชื่อเท่า คณะเสนอมายังห้ําหั่นกันอีกแม้ดากเดียดที่สุดเลยอะไรเลยเสนอเข้าไปนี่ก็ เพราะฉะนั้นเค้าจึงหม่นไส้อาตมามากเลยเออไว้หลายอย่างแล้วเอออันนี้มันคือมีปฏิภาณฮะเออไอ้มันรู้ได้ยังไงว่าอันเนี้ยกูแฉน หลายอย่างที่อาตมาเอามาเปิดเผยเอามากระทําขึ้นก็เอออันนี้ต้องยอมรับว่า อ่ามันเป็นเอ่อความจริงที่ต้องยืนยันความจริงเป็นความจริงที่ประจักษ์พิสูจน์ ความไม่มีตัวตนหรือความจึงเป็นที่จํากัดความรู้หรือว่ากําหนดความรู้กําหนดความจริงต่างกัน ที่ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้แต่เข้าใจคํา ถึงซึ่งความไม่มีตัวตนหรือความไม่ใช่ตัวตนกันได้แล้วนัยยะนี้เรียก สมัยโนนยุคโนนมันยุคเทวนิยยมมันมีเต็มมีมีนิรันดร์ด้วยยิ่งใหญ่ที่สุดอะไรเงี้ยมันเป็นลักษณะศาสนาที่ยึดความมีเป็น แต่ก็ยังเป็นอัตตวาทุปาทานยังเป็นนิรัตตาอยู่นั้นเยอะเพราะนิรัตตาพุทธเจ้าตรัสไว้นั้นยุค ยุคพระพุทธเจ้านั้นมันมีกับทางยุคโน้นกับส่วนที่ไปว่าพวกพระเจ้าอะไรที่มันไม่มีตัวตนมันก็มีแต่ อเทวะนิยมทุนก็ยังติรัตตาก็ยังไม่รู้เยอะนะเพราะไม่ได้เรียนอัตตากันเรียนรู้ไม่ถึงอัตตานะตามความหมายของ แลพระพุทธเจ้าทรงจัดนิรัตตาเป็นมิจฉาทิฐิส่วนอนัตตาเป็นสัมมาทิฐิทีนี้คํา อันผู้ปฏิบัติสามารถรู้แจ้งเห็นจริงได้ด้วยภาวนามยปัญญาหรือวิปัสสนาญาณ ก็บรรลุที่สุดถึงขั้นอรหัตตผลนะที่จริงมันเลยไปแล้วนะเนี่ยเลยเวลาไปแล้ว <Yeah. S 1> 45 ไป 2 3 2 นาทีครึ่ง 48 แหมพรุ่งนี้ถ้า 10 นะ 89 10 เอ้าเอาละก็เป็นเร่งเอาที่งานปลูกเศษกันเนาะถ้ามันไม่